ยาสนิผู้เจ้าเปลี่ยนเหมือนกับยาสนิเป็นอุปมานะสำหรับพชงเจ็ดอีกสามข้อนะก็คือสมาธิปัสสธิแล้วก็อุเบกขาในทางตรงข้ามนะเวลาที่เราง่วงเหงาหาวซึมหรือว่ า, าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเนี่ยถ้าหากว่าเราจเจริญรร ม, มาสามข้อเนี่ยคืออุเบกขาปัสสธิหรือสมาธินี่นะ มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เหมือนไฟกำลังจะมอดเนี่ยเราอยากให้ไฟมันลุกนก็ควรจะโยนยาแห้งลงไปไม่ใช่โยนยาสดนะโยนยาสดเนี่ยไฟมันก็ยิ่งไฟที่มันจะจะดับอยวยิ่งดับเข้าไปใหญ่อันนี้เป็นคำสอนว่าพ่ชงเจตเนี่ยธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมีประโยชน์ก็จริงนะแต่ว่าใช้ใถูกกรณีในบางกรณีก็อาจจะไม่เหมาะนะในบางกรณีจึงจะเหมาะ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 พยายามระดมความเพียรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลับเป็นทุกขเวทนาแล้วก็ความท้อแท้ท้อถอยจนกระทั่งอยากจะเลิกปฏิบัติอยากจะสึกหาราเพร้ด้วยซ้ําพุทธเจ้าก็ทราบนะก็เลยมาสนทนากับพระสนนะพระสนนะนี่เคยเป็นนักดนตรีนะดีดพินเก่งก็เลยถามพระสนนะว่าเนี่ยพินเนี่ยถ้า ถ้าสายพินเนี่ยขึงให้ตึงเนี่ยนะดิดพินไพรร้อไหมพระสนนะก็บอกไม่ไพรร้อแล้วถ้าสายพินเนี่ยนะหย่อนเนี่ยดิดแล้วจะไพร่ร้อไหมก็ได้คำตอบวไม่ไพรร้อทําอย่างไรถึงจะภพย่ร้อต้องขึงให้พอดีพอดีพรจา ก, ก็เลยบอกว่าเนี่ยพระสนนเนี่ยนะควรทําความเพียนพอดีอย่าทําความเพียนมากไปเพราะว่าทําความเพียนมากไปก็ฟุ้งซ่าน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 มาปฏิบัติด้วยความอยากได้นะอยากมีอยากเอาเวลาปฏิบัติก็ทำด้วยอาการหน้าดำขมเครียดอันนี้ก็เรียกปฏิบัติผิดละนะปฏิบัติทาก็จริงนะแต่ว่าปฏิบัติผิดนะมันก็นำทุกมาให้ทาที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นะส่วนทาที่ประพฤติไม่ดีเนี่ยก็นำทุกมาให้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 หรือแม้แต่ความสงบเนี่ยมันก็เป็นความโลภเป็นตันหาอย่างหนึ่งถ้าทำด้วยจิตที่มีตันหามีกิเลสแบบนี้เนี่ยนะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าทำด้วยความเครียดทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลและยิ่งไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ยิ่งทุกข์นะหลายคนเนี่ยนะทำไปแล้วสักพักก็จะบ่นว่าเนี่ยทาแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยนะ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 อะไรคือวัตถุประสงค์การปฏิบัติวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีหลายวิธีนในพุทธศาสนาอ ธ, ธาถกาถ า, าจารย์ท่านก็จําแนกไว้ว่ามีถึงสี่สิวิธีแต่และ ว, วิธีก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปนะเฉพาะอนุสติสิบเนี่ยนะสิบในสี่ิเนี่ยนะเฉพาะอนุสติสิอนุสติสิบเนี่ยแต่และข้อก็มีวัตถุประสงค์แตกต่าง